ที่สั้นเพื่อว่าให้พวกเรามาโฮมกันเริ่มมารวมกันแล้วก็พูดอย่างให้ฟังเพื่อเป็นวิธีปฏิบัติพวกเราการฟังก็ต้องฟังด้วยควมระมัดระวังฟังด้วยวมสงบฟังด้วยควมเียบร้อยกันมาเมื่อ <c oughs> นี่ยก็เลยที่เรามีเรื่องที่จะเราสู่ฟังก็มีเรื่องทุกมือ น, นั่นแนหะแต่ว่า บางที้องกลับปะคนกันไปบางทีก็เป็นเรื่องใหม่ๆแปลกๆขึ้นมาที่เปิดอบรมร น, นี้ปัชนามันไม่มีเฉพาะตั้งแต่มือมีดมันมีมาแต่นานที่เนี่ยพ่อได้อ่านหนังสือเล่มหนึ่งการประสมเหมือนนั้นคนกับสัตว์นี่เกิดมาในตระกูลเดียวกันเป็นว่าสัตว์กับคนนี่เป็นตระกูลเดียวกัน คนนี้รู้จักการพัฒนาสัตว์คนรู้จักการพัฒนาอันนี้พอเราให้ฝังว่าคนในตระกูลมันมาจากเลี้ยงเลี้ยงมันมีสองพวกพวกหนึ่งเป็นพวกน้อยๆพวกหนึ่งเป็นพวกใหญ่รรรรรถ้าพวกน้อยนั้นรู้จักการพัฒนาถ้าพวกสัตว์เลีงตัวใหญ่นั้นรู้จักการพัฒนาพัฒนามาเป็นคนเลี้ยงกัน อันนั้นพ่อแม่เราให้ฟังหนึ่งนังสืออีกเป็นเรื่องหนึ่งที่เนี่ยพอได้อ่านเห็นว่าคนกับสัตว์ทั้งโลกนี่เลยมีตระกูลเดียวกันเกิด ม, มาแล้วก็อยู่ในป่ากินสัตว์กินสัตว์ตดิบกินผักดิบให้บอาคนนี่ก็ได้สัตว์ที่เป็นพัฒนาบเป็นแังก็กินของดิบกินผักดิบคือกัน แล้วก็เมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยมาแล้วก็กินเอาหลักไม้หรือเปลือกไม้กินยารักษาโรคมันจัตก็คือการคนก็คือกันเวลาจัตนั้นพัฒนาโบไปคนนั้นพัฒนาไปแต่การพัฒนาของคนนี้พัฒนาอัดผิด ก, ก็ได้ถูกก็ได้สับนั้นโบได้พัฒนาจะอยู่ตามเดิมค น, นตามนั่นเองวันนี้ ปรากฏจะมีลูซี่องหนึ่งรู้จักการพัฒนาของคนกับสัตว์นี่มันต่างกันและลูซี่ก็เลยไปบำเพ็ญตปะหรือว่าบำเพ็ญภาวนาบำเพ็ญเทียนพวกอาชิวาอย่างนี้นก็ว่ากันไปเพื่ออยากรู้จักสภาพความ็นอยู่ของคนและสัตว์มันต่างกันยังไงอยากรู้จักพอดีลูซี่อง์นั้นก็เลยไปบำเพ็ญเทียนบำเพ็ญตปะประมาณเจ็ดรอยปีหรือเจ็ดสิบ ว่าเจ็บลอยตื่นหรือเจ็บคิดตืนเนี่ย <c oughs> ก็เลยได้บรรลุธรรมะเมื่อบรรลุธรรมะแล้วก็จะทำอย่างไรบ้าเลยเขาเปิดอบรมกันว่าแมนเปิดประชุมกันก็ว่าแมนเพราะว่าเป็นการเปิดประชุมกันระทัดีดีเนี่ยนะอันอบรมเนี่ยปฏิเสเป็นอบรมชื่อๆเปิดประชุมกันแล้วให้มาทุกประเภทสัตว์น้ําสัตว์บกนรสัตว์เครื่องน้ำเครื่องบก ให้ว่าทุกประเทศของสัตว์เรียกมาประสมกันคนก็นมาทุกเล่าทุกขอจะเป็นฝรั่งอังกฤษเป็นคนเขมรคนเมือง่าเป็นคนชาติใดกระตากไม่มาประสมกันเพื่อว่าจะให้พวกนั้นรู้จักว่าภัยคิกภัยทูกข์อันนี้พวกคนก็นจะเลือกเลือกหาคนบุคคลที่มีผมรู้มีความสามารถเป็นวาน่า เราได้ศาสดาองค์หนึ่งเป็นการพัฒนาคนเก่งแล้วก็เป็นนักการเมืองเหมือนกันค <c oughs> ุณแจกอันนี้มันอาจจะเป็นคําคนหาเรื่องมาพูดอีกเป็นเพื่นึก็ได้ยันเนี่ยเพราะว่านี่ก็หาเรื่องมาพูดกัแมนเพราะว่ามันมีหนังสือแล้วก็เอามาพูดเชื่อมกันเขาเพราะว่าราสดาาจารย์นั่นเป็นผู้มีขุมรู้สามารถแตกศาส ในปัญญาของตัวเองและก็สามารถแทรกซ้ำใการศึกษา <c oughs> เลือก <c oughs> เอาเอาสัตว์ระจานคนนี้แหละเป็นตัวแทนวันนี้บอลที่เปิดประสมนั่งับข้ามไปทางซ้ายมือนี่เป็นพวกคนข้ามัวมือนี่กับทางหลังมือนั้นกับทางหลังหรือสี่นั้นเป็นพวกสัตว์สัตว์น้ำสัตว์บก สัตครึ่องน้ําครึค่งบกสัดว์เลื่อยคานคันเลื่อยคานก็เป็นงูพวกกันตัวตัวกุ้งกือตัวที่กือบอกว่าตัววงกือบ้านอย่าไปเลยบ้องกือแล้วก็พวกที่เผ็ดแมงอดมันเนี่ยเลื่อยคานสัตว์พวกนี้นะคันสัตว์างก็เป็นแต่พวกยางคันครึ่องน้ําครึ่งบกกับแตพวกนอนพวกอย่างเงี้ครึ่งน้ําครึ่งบกอยู่ข้างเบื้องขัวมือกับทางหลังทางหน้านี่เป็นแม่น้ำใสสะอาดดีสิน ตองวันนี้เนซี่ก็เลยบอกว่าให้เลือกตัวแทนมาทุกคนทุกประเภทเลยใช่ไหม <c oughs> จำพวกคนกันเลือกอาศาสดาจารย์นะจำพวกให้ว่าทุกเพศทุกวัยเลือกได้ศาสดาจารย์คนหนึง่งบันนี้ตกพวกประเทศสัตว์เจะคมจิ้นเลือกอะไรเรื่การพัฒนาของระบบนี้ใช่ไหมตามนี้คือว่าโมจะคมจิ้นเลือกวันนี้จากทิ่เลือกภายนอกจะนีนสัตว คันท้ายเขาว่าลเ อ, อีว่าหลาาัศสีเป็นผู้มีอำนาจผู้มีเสียงผู้บันเลือแต่เขาเคยว่ากันนะสันเรื่องนิทานพวกอันกระต่ายแล้๋วต้องเลือกอรุษีมันนี้สัตเรานั่งกันมากขึ้นเถี่เลือกไถ่นอเป็นผู้ที่จินมีความรูนะ้คิดใจคิดตากับคิดเห็นเปนอย่างวันนะ เมียงวันไม่เข้าคุกคีกับคนณรู้จักคนดีใส่เมืองวันก็รู้จักดีประสบการณ์ก็มาจาพวกสัตกับเจ้าเมียงวันอีกตื่นเมียงวันไม่ตอนสัตว์กับเป็นให้ไปไปไปบินไปใส่กัไปถึงเมียงวันรู้พรกพุทธเจ้าของเน่าของเหม็นกับเมียงวันนี้รู้จักดีของโวยของงามกับเมียงวันก็รู้จักดีเหาก็ะจีเห็นในเมืองวันมันไปจับเมื่อ อาหารดีๆมันก็ไปจับเอาอาหารเม็นๆมันก็ไปจับเอาไปเบิ่งไปแล้วบะงเมื่อคนผู้แจ้งตัวดีๆมันก็จับเมีวันก็นเลยแล้วคนแจ้งตัวซื่อๆมันก็ไปจับแนที่สุดอุจระมันก็ไปตอมเมีวันก็เลยเลือกออกันเพราะว่าแอมียงวันได้ประสบการณ์มามากก็เลือกเอาพอดีเลือกได้เวันแล้วสัดน้ำสัดบุกสัดเครื่องน้ำเครื่องบุกสัดเลยทานกับคอยฝังฝังแนววัน มันไม่เขาก็เอาฤษีกับเปิดประสมคืออย่างแถวเขาเปิดประสมเปิดประสมแล้วก็ให้สัสดาจารย์ถือโอกาสการพูดอย่างที่แต่เขานี่ก็เขาก็ลกสัสดาจารย์ก็ก้าวคำก็ลกประธานแล้วก็อธิบายเลยพี่น้องทั้งหลายทั้งโลกนี่แหละทั้งสัต์และคนการเปิดประสมมันนี่ก็เพื่ออยากให้พวกสัตว์พัฒนาขึ้นนัางกับคนเพราะคนนั้นพัฒนาไปไกล ราวน่าสัตย์ในพัฒนาปัณิยู่กินตั้มเร็วสามหรือ ก, การนั่งการนอนกับตั้มเร็วสามอยากให้พี่น้องรวมโลกกันนี่แหละพัฒนาขึ้นนั่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพราะว่าแต่ก่อนนั่นคนกินเปลือกไม้กินยาดหักไม้คือกันแล้วเสื้อผ้าก็ได้นุ่งแต่น้อยแล้วก็กินอาหารดิบกินผักดิบกินของดิบกันพัฒนาขึ้นมาจนว่าเป็น ความดีๆสุดๆดอย่างที่เราเห็นกันอยู่ทุ่มืีอเดี๋ยวนี้เนี่ยจัด่งอย่างบทไบโบ ก, ก้าวนั้นบนันเน่กันเลยอธิบายไปหลายเรื่องบงนันเน่กันพอดีทัศดาจารย์องนั้นบรรยายเลื่องประทักถาขึ้นมาแล้วคนก็สาธุกรื่งก้องก็ไปจะปกคุณอย่างพวกศับเนี่ยมันก็บกิบบง้งสโล่แสแลไปตอนนี้บันพอดีทัศดาจาร์นั้นขึ้นอธิบายแล้วครับ ตือนแรงวันขึ้นไปอธิบายแบบนี้แมลงแมลงวันมันก็ขึ้นต่อธิบายขึ้นภาษาก็ตามภาษาของสัตว์แต่ว่าสัตว์กับคนมันพูดกันได้เพราะเรื่องสี่นั่นแ่ะบําเพนตะปะมันเรียเป็นผู้มีอํานาจสามารถที่ให้สัตว์กับคนพูดกันได้อยากให้รู้ภาษากันนะพวกหออกมานี่ก็คือการยังานประตุ้มกันอยก็ให้รู้ภาษากันบ้างถ้าหากไม่รู้ภาษากันก็แสดงว่า อย่างโบเข้าใจกันการพูดก็ได้แมงวันขึ้นอภิบายขึ้นมาว่าคนพัฒนาไปไก่บางอย่างเหตุดีด้วยบางอย่างกบฏเหตุดีเลยแม ง, งวันนั้นนำหรับศัพนั้นอย่างโบได้พัฒนาโอ้จริงเขียนหนังสือโบเป็นอ่านหนังสือโบได้แล้วกโบได้ปริยาโบาได้ใบประกาศนียบัตรคนนั้นได้ปริยาได้ไบประกาศนียบัตรได้เป็น ด็อกเตอร์นั้นด็อกเตอร์นี่ไปคื อ, อยังสมัยอยูุนี้เลยเมืองวันมันว่าแต่ว่าคนนั้นพัฒนาไปก็เลือดร้อนอยังโตมดมันไม่ได้พัฒนามันก็อยู่ได้กินได้ยังพวกข้าพระเจ้านี่คือกันเมืองวันไม่ได้พัฒนาก็อยู่ได้กินได้บม่ทาให้บ้านเมืองเลือดร้อนเลยเมืองวันมันว่าก็หลายเรื่องเลยเฉพาะก็บบุ่อยจําเรื่อนมันอันนี้ ทำไมเจ้บาบ้านเมืองเนแล้วการพัฒนาไม่มันต้องเจริญมันต้องก้าวหน้าทางศาสดาจา ม, มีบางย่างก็นําคนเดือดร้อนอย่างที่ยกตัวอย่างขึ้นมาโลภในวันกระด็อย่างที่พัฒนาคนมันมีเกียรติมีหยดติดเกียดติดหย ด, ดๆๆๆคนถ้าไม่มีเกลียรติไ ม, ม, ยไ ม, มียดแล้วก็สบายมีการเสื่อมหยดคนก็ต้องเสียใจและมีการได้หยดมาคนก็ต้องดีใจ เมี่สอบรายได้คนก็ต้องดีใจสอบรายตกคนก็ต้องเสียใจก่อนที่จะสอบรายก็ต้องคิดว่าจะตกหรือจะได้เลยมีคนทุกข์ในวันมันวางั่านไปทาภาษาเนืองวันให้มันวาไปตลอดมาเครื่องมุ่งของไทําให้คนเนี่ยเป็นคนมัทธยัตเป็นคนบุกวลห่วงทําให้จิตใจขับแขกเลยพวกข้าพเจ้าทั้งหลายนี่ โมได้ปัญญะพัจจิเอาอันใดกลับเอาพัจไปทางหดก็ับไปโมได้เป็นของส่วนตัวจัง ส, สัญชีบอกไปตามภาษาของเมืองวันวันนี้พวกเมืองวันก็เฮ็ดดีพวกสัตว์เลื้อยคลาน <c oughs> ต, ต่างๆกระเฮ็ดดี <c oughs> เพราะว่าเขาไม่มีการเบียดเบียนกันคนมันมีการเบียดเบียนกันเมืองวันกับพวกสัตว์เล้อยคานสัตว์น้ำสัตว์บกสัตว์ครึ่งน้ำเครื่องบกนั่นก็ <c oughs> ให้ว่าภาษาจันกร์ก็ต้อง เพิ่มสมกำลับภาษาตัดวานเนี่ยค่ะเพิสมไปตุกมือคือถ้าไปยังที่เหาสาทุหรือตุกมืออย่างที่าศาสดาจารย์นั้นภาษาสัตว์ ก, ก็เสียงใหญ่หลายนี่ปัต ก, กับคนมันสัตหลายกว่าคนนั่นแล้วไปตัวอธิบายเจ้ไปอยากให้แมงวันเนี่ยสัตทุกประเทศพัฒนาขึ้นมาอย่างคนคนเมื่อมีเครื่องใชไม่สอยมีที่กินที่นั่งที่นอนดี นหนึ่ันกับคานมีแต่คานอยู่เรหนึ่งวันนี่ก็ได้คนพัฒนาขึ้นก็จริงเหมือนกันเครื่องไฟไม่สอยก็จริงเนื้อตัวอย่างคนไ่รู้จักส ม, มุดพวกข้าพระเจ้ารู้จักส ม, มุดดีอย่างที่เงินก็ส ม, มุดขึ้นมายัางที่เสื้อผ้าก็ส ม, มุดขึ้นมาแล้วพวกท่านมันติดอย่างที่เป็นพุทธว่าพวกอย่างด่างกำหนั่นวกขเจ้าก็ติดเกียดมรติโีมมุขเจ้าก็ติ ด, ม, ม, ตดมีเงินน้อยเงินหลายมุขเจ้าก็ติด มีสื้อเสียงมุขจะกติดทั้งหมดุดมู่ฆ่าพเจ้าเนืบริตติดไปใส่ไปได้มาใส่มาได้ยู้ใส่อยู่ไ ด, ด้ด้วยกันทั้งนั้นมู่ฆ่าพระเจ้าเบลิตติดสมุดอันนอันนี้ก็จับมันว้ารรการประดาจการก็ะดานจำเป็นต้องมีสมมุติบุีส ม, มุติก็บุมีอํานาจมู่ฆ่าพรเจ้าบุญจ้องการอํานาจบุญจ้องการสมมุติให้รู้จั ก, จกไม่ใส่กันได้ถ้าคนและสัตว์ไม่จักกันได้อั่นชื่อะไรคือว่าเป็นการพัฒนา โมฆะพระเจ้าพัฒนาอยากให้คนอยู่เจริญเป็นสุขโมยากพัฒนาให้มันเจริญอย่างนี้โมเจ้าพัฒนาไปไกลก็ยิ่งมีคนเจริญมากเลิกคนทุกข์ที่ติดตามมาเพราะการพัฒนาเป็นอย่างวันนั้นวันพวกสัตว์นี่ก็สาธกไปเรื่องนี้แล้ววันนี้พวกนั่นก็สาธกไปเรื่องคนและเรื่องกันไปเลยวันนี้ก็เลยมาว่าเอาบอนทีเฮาร์ชิเด้์ฟังกันเพื่อเข้าใจง่ายๆคนไม่พัฒนามีัรถยน มีถนนหุ่นทางดีไปใส่มาใส่หง่ายมีเครื่องบินดีไปใส่มาใส่หงา <c oughs> ่ายแม้กระทั่งไม้มีอระเพศ ด, ดินก็ร้อนฝนตกบม่มีที่เก็บน้ำํำในไม้บม่มีเพราะว่ามือก็จะตัดป่าฝันป่าหมดอา <c oughs> กาแ ด, ดกก็ร้อนให้ว่าภาษาของจัตมักนก็รีกิลูจากดีนั่นแนะหละมีแต่ควมเดือดร้อนหมดเจ้านํำแต่คนทุกมาให้ ลูกค้าพ่อเจ้ากันเลยพอได้รับผลเดือดร้อนไปน้ำแ บ, บบนี้กลับมันก่อนเลยเห็น <c oughs> เห็นแนวนี่นะเพราะว่าพูดกันง่ายๆพาะาบ้านเขาคืออย่างบ้านเขานี่ก็เลยแต่ก้อนก็นมีป่าไม้ย่างที่นี่คือการเด้อสมัยเนี่ยเพราะเป็นในก็นมีทางเดยจงกรมอย่า น, นี้ต้นไนมน้มีเสือกันนี้แหลงงวงแหลงขวยอยู่ห้องกบกมันตายเต็มในกระบวนการนี้ต้นไม้เดิมมีเสือมีอย่างมากินงวกินขวยอยู่นี้ ให้วาหอบมานําให้นานาเขาก็มีป้ามีดงดี๋ยวนี้โบมีกลายเป็นอะไรกับโบมีต้นไม้เดี๋ยนี้มีแต่ทางรถทางอย่างไปเมืดเมื่อก็ฝนตกกับโมีที่โฮมบบมีที่เก็บน้ําพอดีตกเตาปับ๊แบแดดออกมากดินก็แห้งรถเมื่อฝนตกมากก็ไหลดี่รถนี่ก็บคลายคลายกับคนามเมืองหวันเมาอันที่เขาเห็นกับยุคสูมือเดียวนี้บนบ้านของการพัฒนาของเขากรับ คือเป็นกรรมสิทธิ์อันนั้นก็เป็นของกูอันนี้ก็เป็นของกูพี่กูน้องกูมันมันเป็นอาศัในเรื่องเกล็ดเงิน <c oughs> พวกสัตว์อะนั่นกับวัวเห็ดนุย้ยแม่ที่สุดพวกตัวกระจาดจางกันเลยมันต้องพัฒนาให้มันเจริญก้าวหน้าอย่างนั้นอย่างนีว่าไปตามเรื่องของกูแม่ที่สุดพศอาหารการกินมันว่าไปห น, นึ่วันกมูเจ้ากินแต่ผัดแต่ทอดงูค้าขา้าเจ้าก็ได้รับผลเดืดอดร้อนเพราะหากิน ทั้เป็นเงือแต่สัตว์แลนวกันมันใวันมันวานมือค้าตัวเจ้าอยู่ใจก็บริเวคนสุกเดือดร้อนเพราะมูอเจ้านี่เองการพัฒนามือเจ้าไปไกลหากินไปทุกสิ่งทุกอย่างเลยพวกสัตกับสาธุทางนี้ท่า น, นกับสาธุทางนั้นก็เลยเป็นการที่บุนลงรอยกันวันนี้เอากันไปแม่ที่สุดมูอเจ้าพัฒนาฮอดลูกกระสุนปินปืนโลกนี้จะเดือดร้อน ถมูเจ้าพัฒนามันต้องเป็นลูกกระสุนดินปืนแม่ทิศสุดทุกระเบิดมูเจ้าก็พัฒนาขึ้นมาเอามาทิ่งมันยิงกันแม่พวกเขาเจ้ากระเดื่องร้อนมูเจ้าอยา่างมูหจักรลบเร็วกันไปเพื่อนอย่างมูเจ้าตายจะเป็นบอสลูกบ่ตายเป็นขันมูเจ้าตายเป็น ก, กน า, น า, า, พาิพัฒนามันหมายอย่างมู่อยบอสเห็นด้วยพัฒนาแบบหมูเจ้าเหานียวเนืองวันมันเลพวกจับทางหลายก็เห็นด้ด้วยวันนี้มู่อยขยับพัฒนาคือกัารเนืองวันแต่หากพัฒนา บวชึกกับมุขเจ้าเอาดูในยาพิษมุขเจ้าก็สร้างขึ้นมาจนพวกเสพติดสิ้นเพื่อนกัญซาเฮโรอีนมูนี่มูขเจ้าก็พัฒนาขึ้นมามูขค่อ ย, ยต้องการพัฒนาสิ่งเหล่านั้นคนที่ดีๆกับพัฒนาขึ้นมาให้ติดกัญชาเฮโรอีนสิ้นเพื่อนนี่มันหลายอย่างใงวันมันว่ า, ม, วามันสร้างว่าไปนหน่วยเพราะมันเข้าขุกคีได้ทุกอย่างในหนึ่งวันมันรู้จักว่าคนกินกัญชาคนกินเหล้า จึงซึ่งกินใว่าทุกอย่างนะคมือเท้าจะเห็นอางวันนี้มนไป ต, ตอบมดทุกอย่างมันเห็นมัดเนี่ยคนเป็นโลกกับพ่อมืขอข้าเจ้าเี่พัฒนาขึ้นมาอย่างสี่คันท่าเม้นใจมูอคอยแต่ให้คอยพัฒนารวมนะครับคอยกยกพัฒนารวมอยากพัฒนาเอาลูกประสุนดินปืนเนี่ยไปทิ้งในทะเลขขง ห, นหน ง, งุดห้าวจนเนืองวังคนกระชื่อายุมูอคอยก็ะชื่นบดดื่นร้อนเอาแต่่ ได้มู๊เจ้ากับเจายย้าบริไตไงแ ล, ล้วก็เอพัฒนาเรื่องยาพิษซึ่งเสร็จติดทุกอย่างเนี่ยอย่าให้ไปขุข่มฝั่งซะยอย่าเอามากินมันเลือดดอนเขาหมู่คาพเจ้ามูมา๊๊มู๊๊ทันกับเดือดดอนคือการนี่ท่นหลายเรื่องเนี่ยพอเครูค่อยได้จําเรื่องนี่งามันต่อวาอ่าเต๋อ ร, รัชกาจางก็เลยหน้าเห่าเขาเลยบระเดียวเนี่ยการพัฒนาบุคคาเรื่องบันนีเมื่อพูดกันไปอย่างนี้กับหลายเรื่องแล้วบันนี ทามพวกสัตว์ทั้งหลายสัตน้ําสัตบกสัตเครื่องน้ําเครื่องบกสัตด้วยคานาให้มันสทุกประเทศเห็ดดีลงนี้มั้งคนนั้นผู้เทนักพัฒนานั่นกับหน้าเหงาเขาเลยเพราะว่ามันรดดร้อนจริงๆคนเป็นโรคซึ่งนู้นดี๋ยนี่กับเพราะว่าเอาพัฒนาด้วยเนยอยู่ในกรุงเทพลดไปไหวอากาศบกให้ดีเนีย่ยพออยู่กรุงเทพอากาศบก่อยดีเพราะว่า มันเป็นน้ํามันเชื้อเพลิงจุดให้ว่าเสียงรถเนี่ยขึ้นกล้องไปเดียวควรรถเนียมันมีสารพัดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็มีแก๊สมีอย่างก็ณีเนามาจุกเพื่อให้ไปเปลวให้ไปไหวได้รไปบ้างมีคนมีนำอีกเพิ่มเท้วก็นำมียาเอามาใส่อันเป็นพวกอาหารมันชีบูดชีนอันเนี่ยเอายาใส่ไว้บวให้มันอาหารบูดนี่ไม่เป็นไรครับการพัฒนาของคนหลายเรื่องเนี่ยเขาต้อง คิดให้มันดีเรื่องนี้ก็ได้ดังนั้นพวกเขาที่มาปฏิบัติธรรมะไม่กละเป็นการพัฒนามีการประสมเติดโลกกับว่าแม่เติดมาประสมเอากลุ่มเห็นขุมทุกมาเพราะหงูพระพุทธเจ้าสอนให้คนสลาดเท่านั้นเองขุมทุกมาเพราะเขาทำบุญดีเมื่อเขาทําดีแล้วขุทุกกรหมดไปขุมทุกเกิดขึ้น เพรเขาคิดสับสนวุ่นวายเพราะเขาอยากหันให้มันหันกับโลกโลกนี่บางซึ่งบางอย่างทําให้เจริญบางซึ่งบางอย่างทําให้พินาศอย่างที่เนียวันวานนี่ร่างนูกกระสุน ด, ดินปืนมาเพื่อประหารกันนี่ก็ควรที่เอาไปทิ้งทะเลซะเมียวันมันว่าอันนี้เนี่ยพราก็เหติตดีด้วยอันนี้บ่มีประโยชน์อย่างนี้คนมีบุค้ากระจายวันนี้เงนินลงมาเบิดลงมาเนี่ยมันเป็นยาพิษเรียก แล้วยิงพันวาลูกระเบิดปรมาณู่มไม่เห็นพันวาแต่ถ้าอยู่ใกล้สสเก็ดมันถูกตายโลดบันนี้มาอยู่ใกล้สเก็ดมันถูกเสี่ยงมันสะท้อนมบนพื้นดินตักมันตั น, นตายลดยอยู่ไกลๆบันเนี่ยเสี่ยงมันสะท้อนบานถึงไอยาพิษนั่นแต่เขาก็ตายกันเขาเจ้าว่านี่บันนี้อันนั้นของผมเห็นเธอบันซึ่งที่เราเห่นง่าย ๆ, ๆบันเนี่ยยังเอาใส่ยากันปลูกผักปลูกงานเนี่ย คันโรคเอาอยามาคนง่ากับผักกระโบวงามบอนนี้ยาเหล่านะั้นมันเป็นพิษเป็ดแก๊จอยู่ฮั่นพอไปกินบางทีห้องนำซื้อโลคเข้ามาบรคไดเท่านั้นองตู้ตอนนี้จําพวกโลงกัน้นสุลานี่คือาการจะก่อนห้อกระต้มในหมอบอนนี้ใส่เป็นรงงานใหญ่ๆเนี่ยงนวันไปตอบันทุกจักนัดแล้วก็คิดบุญเรื่งราวในเขา้าคุกคีทุกอย่างแท้ๆนั่นก็น่าคิดเหมือนกัน เรื่อการพัฒนาของพวกเขานี่อยากว่าลาหลังอย่าว่าก้าวหน้าเขาพัฒนาให้เบ่งทึงจิตทึงใจจิตใจเปนเป็นทุกข์เพราะเรื่องอันใดเขาจึงไ่ได้เห็นจยากเถื่อให้จิตหจเห็นใจเขาเพ็ตัวร่างกายนี้บปเมันทุกข์ตากแดดตากฝนตากลมเนี่ยเขาเห็นตัวร่างกายอันนี้ทุกข์ควรจริงร่างกายอันนี้ไม่ได้ทุกข์มันไม่หู้จักไม่อย่างเดีร่างกายใจพุ่นเป็นคนหู้จักใจพุ่น ว่ามันทุกข์มันยากใจพุ่นมันสนุกสนานใจพุ่นก็มันขัดสนอันเดใจทั้งนั้นดังนั้นจึงว่าให้เราพัฒนาถึงจิตใจอันเรามาประสมกันที่นี่เปิดโอเบนเปิดพัฒนาถึงจิตใจเลยที่เนี่ยพอวาอยากับวาเรื่องจิตใจทั้งนั้นส่วนมากเป็นเนีย่ยพอรู้จักเราเรื่องการพัฒนาเหล่านั้นแต่ว่าเห็นบางอย่างที่เนีพอได้ประสบการณ์ตัวเองเนีนยพอกันเลิกรอบเดียว อ่าพ่อสูบอยู่ดีอย่าพ่เลิกมุ่งนั้นทันทีบ่มีไผรมาบอกมากล่าวบ่มีใครมาว่าให้อย่าพ่อเลิกแต่ไม่สนอยาพ่อบึ้งเห็นว่าสิ่งที่มันนำทุกขทุกข์วนเดือดร้อนมันเป็นโทษมันเป็นโลกหอกบ่เห็นเสื้อโลกมันมาเกาะจนอย่าพ่อเห็นอยู่ในใจอย่าพ่อเองดังนั้นคนจึงหว่นรู้จักแในการพัฒนาสิ่งที่มันดีก็มีสิ่งที่มันเลวร้ายก็มีการพัฒนาซิ่งมันดีนั้นดีแล้ว ซึ่งที่พัฒนาอย่างเลรนะ็วเน่ะเป็นเป็นวิธีหาเงินเพราะว่าคนมันเห็นแต่แกได้ซึ่งใดที่มันได้เงินเอาโลรแไปเดียวพิดก้าเอาทุกข์ก้าเอานี่เอาใจรู้จากว่าซึ่งที่มันผิดไม่ควรเอาซึ่งที่มันทุกข์นั่ควรเอาเงินก็ได้ขึ้น ม, มาถูกต้องซึ่งที่มันผิดมันนำคนเบื่อร้อนมาให้มันเป็นพิษเป็นภยัยแกตัวเฮาเองเฮาเองเป็นคนได้รับไม่มีผู้อื่นได้รับ ให้าคนทุกเพศทุกวัยทุกชาติทุกภาษาคนคือกันลองคิดเบนรู้บนนี้แล้วบนนี้ขมมากินซึ่งเศษติดบนเมาขึ้นมาแล้วจําเป็นพอลักอ็รักพอหาบุได้ได้เงินเนี่ยพอปุ้นก็พุ้นพอจี้ก็จี้พอให้เตือนก็ให้ไปือนเพราะเพาะข้อมูลจากการพัฒนาการพัฒนานี่ดีบางอย่างอย่างพัฒนาถนนุนท่านนี่ไปไหวนี้อันนี้ อย่างเครื่องบินนี้พัฒนามียารักษาโรคดีเมื่อยารักษาโรคนั้นแต่ก่อนเมงวันมันว่าแล้วคนก็ว่าคือกันเกอดมาก็ต้องกินสัตดิบผักดิบถ้าเจ็บใครได้ป่วยมาก็รู้จักว่าไปเอาเปลือกไม่มากินเมื่อหากไม่มากินรักษากันได้แล้วก็นอนดินนอนท่อมยื่นกันกับสัต์สมัยนี้พวกเอาไปไกลกันกับสัตว์อาจัรย ขึนมาเหาก็ค de ือกันสมัยเนียมีแต่เหาทำแต่คนเจริญสร้างตุกสร้างกุฏิวิหารสร้างโบสถ์สร้างสิ่งแล้วบบนี้เงินหมดได้แบบนี้เดือดร้อนได้แบนี้เมื่อสิ่งเลานั้นดีเป็เงินบดีได้แบบนี้มันเดือดร้อนเพราะอย่งเพราะเห่านี่เองเหตุการณ์บผู้อื่นเหเช่นว่าเพาเหาตพราะเหาบูฮู้จับว่ามันสีซิ่เปืองไปแล้วมันได้ประโยชน์หรือมันเสียประโยชน์บูฮู้จัก เพราะเราคาดจากผมคิดคาดจากการเห็นแจ้งพระพุทธเจ้าบวชหดบวได้บวชในบวชในสิ่งนู่นจานสถิตผู้ได้บวชเียนเข็นอ่านกจะได้จักพระพุทธเจ้าบอกว่าทำละเล่าวดีแล้วท่านจงเป็นภิกษุมาเถิเถอะท่านพระพุทธเจ้าบวได้บอกว่าอย่างสี้เลยเดี๋ยวนี้เ่ามักสร้างคันโพดกันยังไงสิบเบื้ก็คือกันยังทําหน้าที่ของคลารวะ แย ain, ่งสิ i, 謝謝่งกันผู้ใดสร้างดีก็มีเกียดมียศเนี่ยผู้ท่าสร้างเกินให้ซือให้เสียงให้เกียดให้ยศเมื่อคนก็อยากสร้างแบบนี้เมื่อยากสร้างกระอยากสร้างพะอย่างอยากสร้างพอกีเลสอยากสร้างเพราะอยากได้เกียรดอยากได้ยศเมื่อเกียดเยอะัเป็นอย่างมันเดือดร้อนอย่างเมงวันวานนั่นหละเมงวันแท้ๆสัตว์ประเทศนั้นมันก็ยังรู้จักการพูดออกมาเลยคนแท้ๆธรรมจีบุกจัก เาพอ่อเคยร้ายกังไร้เธอเราควรที่จะนาสิ่งที่มันเดือดร้อนจะเอามาพัฒนาเขาเขาต้องพัฒนาให้จิตใจมันสบายพัฒนาสิ่งที่มันจะเจริญเข้าไปบัดนี้เขาสร้างโบสถ์สร้างสิ่งแล้วเขาไม่ได้ไปนั่งไปนอนเยอะโบสถ์ไหนโบสถ์ไหนสิ่งมันมีแค่บวถ์โบสถตีนี้จิ้จากคนไปโบวถในโบสถ์ไหนสิ่อันนั้นแล้วเขาสร้างมันมาเงนจากบาทจากล้านจากแสนแล้วมันคุ้มค่างเงินเขาบอ เดี๋ยวนี้เขาจิตสร้างโบสลงทะเลคุณคิดงกต่างมาเงินเป็นตั้งหลายสิบล้านเงียพ่อไปเบิ้ลออกไปประมาณจักกิโลหรือสองกิโลคุณจิตถมทะเลออกไปสร้างโบสคิดเล่าเศรษฐกิ จ, จบ้านเมืองเงินทองของเขาเนี่ยมันจิไปทางไหนเด๋ยวมีกระจาเป็นตัดต้นไม้ปลูกฝังเข้าไปเอาจำเป็นก็ต้องแห้งแล้งใช่าหมหอเดือดร้อนได้แบบนี้เอาบัได้เข้าใจเรื่องสี้ตอนนี้ยจำเป็นหาจ้างคนมาได้กอนเนี้ยเอา เอาสิ่งที่คนใดที่ต้องการก็เอาไปเนี่ยอย่าเสพติดทุกสิ่งทุกอย่างหลอกล่อ ก, กันเข้าเนี่ยเรื่องนี้เอาควรพิจารณาพวกเขามาปฏิบัติธรรมมาให้ดูแจ้งเหตุจริงตามความเป็นจริงถ้าหากเขาบปดูแจ้งให้จริงตามคว า, า, ามวเป็นจริงแล้วเงของจิตัดไม้ตัดดอกให้มันแห้งแรงไปเมื่เดือดร้อนไปเมื่เมื่อที่สุดเขาจิตเปิดเสือ้อจะยาเนี่ยมาคนปลูกผักปลูกงาแล้วมาจีนำเสือโลกมให้เขาเขายิ่งที่ตายงาย เขายิ่งที่ตายง่ายเข้าไปเพราะว่าแกก้อนไป็นสมัยอย่างพ่ออย่างน้อยไปกับพ่อกับแม่ผักแม่ปลูกตามตะฟัางโขงปลูกแตจะได้กินโบต้องพ่นยามาักเพชรมักเขือโบต้องอไปพคนยาเมื้อเข้าในท้องนากรบโบต้องพ่นยามักพั่อมออั่งหนางปลูกแล้วกระโบต้องพนยามันออกมา ก, กินสบายเดี๋ยวนี้โบพ่นยาผักโบงามคันพ่นยาแล้วผักหนังหามเนี่ยเก็บมา ก, กินด้วยกับโบได้ต้องไปล้างเนี่ แบบนี้เอาไปขายไปเนี่ยคันไม่ได้ขายต้องหาเครื่องมาอบมาเนียมันมีแต่เคื่อโลกได้เข้าไปเรีอพอแม่พี่น้องเพื่อนฝูงทุกคนเนี่ยควรพิจะะารณางานพัฒนาเนี่ก็ต้องรู้จักบอกห้ามได้ไงว่าให้ฟังตามเมี่ยงวันมันร้อยจางังสัลรถขับทางไหลจะเหตุ ด, ดีด้วยเลยโบเดือดร้อนราชดาจาง ก, กระเดินหน้าเหงาไปว่าแบบนี้อันนี้ก็คือการเอาจะรู้จักไปคนเจริญควรจะรอนหอยจีบุงรู้จักเอาจีทุกเด้อ เขาทุกข์กมาแล้วเดี๋ยวไม่ไหลสุดตื่อแล้วอืปลูกผักปลุกงาเนี่ยเอาตะยามมาพ่นกิ น, นกันเขาไม่รู้จักว่าเขาเป็นพิษยอย่างนี้แต่ถ้เป็นโลกก็หลายอย่างโลกเรื้อหลังขึ้นมาที่นําธรรมะ ม, มาเล่าสู่ฟังอันนี้ก็เป็นธรรมะในลักษณะปัญญาบนในลักษณะของหยาดปัญญาอันเป็นลักษณะปัญญาควรคิดและควรพิจารณาที่ว่าปัญญาในคิดอันนี้เป็นปัญญานคิด ตอนที่จะเห็นจิตเห็นใจเนี่ยเป็นหลักธณรมยานของปัญญาบนนี้ปัญญาคือเป็นหลักธณรงานของปัญญาจึงบอกให้รู้สึกตัวให้ควรรู้สึกตัวได้ทําหน้าที่ของมันให้มนุษย์ปัญญาเกิดขึ้นเมื่องานปัญญาเกิดขึ้นแล้วเหาจะได้ชัดกว่าเก่าดีกว่าปัญญาเมื่คิดนี้เพราะยานปัญญามันเกิดขึ้นมันจะเห็นแจ้งรู้จริงตามควรเป็นจริง อันอยาพอวันนี้เห็แจ้งรู้จริงตามความเป็นจริงใช่ไหมยพอจึงเลิกได้สิ่งเพศติดทุกประเทศอพอเลิกแท้เพราะมันไม่จะสิ่งให้โทษทางนั้นแต่ว่าเขากับนางให้เลิกโบได้ ย, ย่าพอพิจารณาเลิกโบได้เนื้อโอเว่นกินเนี่นยพอพิจารณาเลิอกอยู่ไปบวชจนตั้งสองปีสามปีอย่างเลิกได้เพราะมันติดเนี่ยคำว่กินเนี่ยเขาก็ทอผูกแบบนี้จาเป็นต้องกินเนี่ยมันเป็นอันนี้แหละแทนเขาจังว่าเห็นเต็มของสวยของงาม เหนเจ้าของดีๆบ่ได้เห็นจิตแห็นใจเขาบ่ได้เห็นว่าร่างกายเขาในจิตประสบกับภัยบาปอย่างไหนต่างๆเขาลบภัยบ่เปลี่ยนีลหลบภัยเป็นตั้งตัวเขาจะอคอนมาตีนั่นหลบได้หลบภัยอันนั้นทุกประเภทเขาหลบภัยได้เขาว่ากันเขาหลบได้หลบฤีกิ์พิกหลบฤีกสิ่งที่ซวยลายได้เขาหลบฤีกิ์บ่ได้เขาไปเอาตัวสิ่งนั้นขึ้นมาว่าเขาหลบฤทธิ์หนีภัยเบ่เมียนเลย มีพายฝนตกช้าห้องแพย์ดินไหวหูเขาไฟะเบิดได้ไมีไผใดมัดอันนั้นนี่แล้วแบบนี้ซึ่งเสตตีไปหาหนีบด้ยังพูดถว่ายาจี่บอคนผักันนี้เลือกบด้ายแล้วหอบแบบนี้มันไปซื้อมาซ้ำแบบนี้เรี้ยงเขาได้แบบนี้เอาเท่นดินบ้านเขานี่ยก็สตซื้อจีจางจีดูดดอนจีกระบุงจักแล้อย่าพอบุงจักอย่าพอบดได้ศึกษาทางวิทยาศาสตร์เอง เราก็ให้หมูจ้าคิดเอาเองเรือจิตเ่อใจเขาเป็นอย่างบพัฒนามันจกตั้มไปด้เ่องมือจิตใจเขาตั้มเลวซามไปได้เบตั้มเรไหนบ้เนี่ยลักของกันเนี่ยเป็นอยงก็จิตใจต้มไม่เหลักของมูจิตใจตั้มไมฐานลักศาสนแขงกัน อันนั้นพัฒนาดีแล้วแต่ส่วนที่ซั่วมีหลายเด็กเขาไม่ได้มองเห็นกลุมซั่วเด้อย่างเพันวามเมื่อนยางเนี่ยพ่อไปเห็นไหมจิตสร้างโบสลงทะเลคุณพัฒนาได้เลยแล้วบอนนี้ความเสียหายของเขาเป็นอย่างไรเงินจากบ้านจากสถานเนื้อหาไม่ได้จําเป็นก็นกนต้องหาวิธีมาจึงได้ได้เงิงไดใดหนึ่งก็ต้องเอามารดไปเดียวเนี่ยมันเป็นอย่างไร บ้านนี้เห่าคันพัฒนาบ้านเหานะถ้าหักที่ดีนะเพราะมันแห้งแรงหาวิธีเก็บน้ํำฝนตกมาแล้วน้ำโมยูมันไหลดีเมื่อส์บ้านนี้แห้งแรงเของจีนให้ทยเฮตนาเหมากบพ้ํามและนี่อันนี้ควรที่จะหามาเฮตเนี่ยเฮตไม่ได้เฮตยังสั่นเหาต้องเอาเต็หน้าไปเรื่อยๆไปเรื่อยมองแต่นทหน้าโบได้มองหลังโบได้มองเบื้องซ้ายโบได้มองเบื้องขวอันนี้ก็อยากฝากพอฝากแม่ฝากพี่ฝากนอง ลุงลูกลุงหลั ง, งเอาไปคิดเอาไปพิจารณาถ้ามันผิดกายสุเป็พัฒนาถ้ามันทุกข์ท้องปวดพัฒนาแล้วเมื่อมีคนที่มาไว่ย้เราฟังขัดขัดเขาก็โบได้เห็นโบได้หูโบได้ฟังพราะเขาโบมีการก้าวหนะ้าบ้านเขาไมีได้ฟังฟังกระเว้าวของจริงเนี่ยฟังเฉยเรื่องจิตใจนั้นมันเร็วรายที่สุดฆ่ากันกับพอใจด่ากันกับพอใจ วุ่นี้กันกับพอใจใจนี่สําคัญที่สุดพี่กับโบหัจักน้องกับโบหัจักไม่แยงสิ่งเกียดหยดซื้อเสียงกับพ่อใจอันเกียดหยดนั่งกับต <c oughs> ำรวจก็มาวายหอบฟังข้าหาอหักเปิดอบรมปีหนึ่งก็ดนายนะพันตีพันโทรก็จะเป็นสารวัตรตื่นอย่างมาเบนผมมันเป็นหัวโขนที่สิ <c oughs> บางคนบางคนตื่นซื้อตื่นเสียงซื่นหยดลงตนลืมตั เรื่องนี้เนี่ยพ่อจะนาํามาร้อยใฟังเน่พยพ่อประยุทธส่วนประธานมีนายทหารคนหนึ่งสอบใดขอให้ไปรับใบประกาศในญาบัตรก็เลยกาลังกินข้าวอยู่ท่นนี้เขาไปบอกกินข้าวแล้วก็ไปแตงเนื้อแตงตัวสวมเครื่องที่ไปรับใบประกาศนญาบัตรบริบตไปรับยศรับพัดเนี่ยพอบู้งจักน้องท่านไปบวชมาส่วนประธานเอาไว้ฟังพอดีกินข้าแล้วก็แตงเนื้อแตงตัวออกมากรุงเทพมันมีของนี่ ถามขอครับออกมานวดมันไปใจมันไปยุ่กับนวดกับลาเพิ่งไปเยียบไม่เจอเลยหัวตกของตุ๊อยู่เครื่องตวงโตเบลเปียกนึวดอันนี้ก็ลืมตัวเน่ยลงตัวลืมตัไปคิดตั้งแต่นวดแต่ดาแต่นวดติดซื้อติดเสียงที่เกียกคนก็เลยได้ขับขึ้นไปทายท้าใหม่เครื่องอัดตัวมาเรียบร้อยก็เลยบ่ได้อาไรหลับสามเกียดนวดอันนั้นก็เลยได้ไปแกงเอาเครื่องโบงามอันนี้ก็คือกันนั่นแหละเขามันลืมโตไป เราเห็นแต่เงินมีฝากธนาคารผู้ละลายแล้วกิดมีสิ่งมันยังนำหมาบันนี้ยเดือดร้อนได้บ้านเห่าก็จะต้หาว่าเน่ยพ่อมาว่าจังสัญญาซีได้เนี่ยเดือดร้อนได้เป็นนิธนาคารหลายคนแล้วเนี่ยพอสังอยู่มีผู้ไปว่าให้ฟั่งเน้นบ้านเห่าเป็นที่นี่นธนาคารหัวเงนเนี่ยอย่างน้อยพันสองพันนึ่งก็มีว่าไงไม่ยั้งอันนั้นพอเหาบอกเข้าใจเราอยากมีบ้านสวยๆคือเขาเหาไปยืมเงินเขามาสร้างบ้านเป็นเนี้ นอนแค่สองเม็ดเท่านั้นเองหลับได้ก็พอตายก็ตายซ้ําอีกฟืนเลยนะแล้วไปยืนอยู่ขม้าสร้างบ้านสังเหมือนเป็นอย่งมันดีนี่อย่ ง, อ, ยงอันนั้นน่ะอยากให้คือเขาคือเขามันเป็นอย่างไรใจมันทุกบอเขันใจมันทุกขี้ให้ท่าน ย, ยังอันนี้นแสดงว่าคนยังโง่อยู่ยังบุสลัดเถื่อขันยาพ่อไหวก็คือหาว่าขยาพ่อมาตำมือโบมีน <IS> มาไหว้ฟังซื่อเนี่ยแล้วก็คิดบึงให้มันดี <IS> หมู่เจ้า กินอาหารดีๆเหาน้อยเนี่ยเขาจะไปกินยังพวกเขามีเงินไหลมันจะได้บว์งูเขาพวกเขามีเงินไหลเขายังเขากินหลายหลายแบบนี้เครื่องพัฒนาเสื้อผ้าเครื่องฟามอ่างต่างๆเขาเป็นของหามาขายเขาเป็นคนไปซื้ออันไรบริโภคงามก็เลยนั่นเขาทิ้งให้คือเขาบ้าเจ้าของดีคือเขามันจะดีจังไดเขามันทุกอยู่างดีเนี่ยบ้านสวย บ้างบ้านหนมื่นหนึ่งสองหมื่นเป็นมี้ธนาคารหมื่นนึงสองหมืหน่นนวลกระทะของแดงบ้า น, นัีนเอ้าย่างาไปตามถนนหนทางแบบ น, นี้คิดถึงนี้เห็นเจ้าของนี้มาใจกระเสียแล้วน่าอายขอเขาเดี๋เนี่ยศาสะดาจารย์ศาสนาจารย์หน่าเสียบมันอื่นไกลล่ละเห็นเจ้าของนี้เขามากกลัวแล้ววาดเสี้ยวขึ้นมาแล้วเพราะหยัง่งก็เพราะความคิดเหมือนโง่นั่นแหละนั่นะพวกเขามาพัฒนานี้ก็ต้อง ให้เข้าใจยังอย่าพาะว่านี่มีคนว่าอย่าพอ่อเวลาคนว่าบ้านเฮานี้เป็นมีถุนาคารหลายเนื้อยากแทบทุ่หลังคาเลือนอะไรต่าเนื้อบ้านเฮาสร้างกันลุล่าเด๋ยนี้เนี่ยบ้านสองซันก็นมีซันเดียวก็มีเร่อ น, นี้คือว่ายานเจริบขุดบวชหลอดอันว่านี้อยู่ในบ้านเฮานั้นเนื้อมันทุกข์บ่เป็นว่าพระพุทธเจ้าเป็นว่าการทุกข์ในโลกนี้ ทุกผัวทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเพราะนี้นี่แหละการมาเป็นนี่คนในพันว่ามันโบทุกโบมีมันกระโบทุกได้เ่าขันโบเป็นนี่คนมีเงินลายกระทุกได้ห่อขันเป็นนี่คนมันเป็นอาชันเนธคิดดีๆได้เรื่องนี่เนี่ยเนี่ยพอเอาหม้อหม้อบ๊วยเอาไก่แกะหักไก่ลูกลานเขาจีเป็นอาชันอีกตัวเนลงตนลืมตัเขาจีมาหลอกเอาพัดลมพวกนี้ซื้อๆไป้ักก้อนเนธ เอาคิดบอกให้เขาในบัทนี้มันเป็นอย่งนั้นเน่เหาอเดีนี้เอาเต็นที่มาไวเ้เน๊ะลูกก็จะเป็นตัวอย่างขึ้นมาอามันนี้เป็นนี้นี่มันทุกข์เป็นอย่างไรพระพุทธเจ้าคนสอนแล้วว่าการทุกข์ในโลกนี้เพราะเป็นนิขนการบุทุกข์ในโลกนี้เพราะเป็นนิขนผลว่าอย่างนั้นดังนั้นจึงว่าคนจะล่วงทุกข์ไปได้เพราะปัญญาการจะล่วงทุกข์ไปได้เพราะปัญญา บนการจะล่วงทุกข์กได้เพาะโง้อโดยดูเหมันโง้อหรือเหมือนสลาดให้มู่เจ้าคิดให้มันดีถ้าหากมูอเจ้าบุก ค, คิดให้มันดีแล้วมันจะแย่ลอลงไปทุกมือทุกมือทุกวันทุกวั น, ท, วนทุกปีทุกเดือนเศรษฐกิจบ้านเมืองของเฮาจิตเป็นยังไงตัวของเฮาจิตเป็นยังไงที่ได้รับโทษยังไงเฮาจงคิดให้มันดีมานจะริ่มลีปาสนาเนี่ยจะเริ่มเพื่อให้ปัญญาเกิดขึ้นมันจะลีปศาสนาเนี่ยเพื่อให้ยานปัญญาเกิดขึ้ น, นา ให้ให้จริงตามควรเป็นจริงเหาเนี่ยอยู่ซื้อๆกินขา้าวกินน้ําหาปูหาป่ า, ปามาบ่าได้ทุกอย่างิีดเน่หน้วยเงาะคองมึงบ้านเฮานี่ผมมัดตาอยู่สิใดจับตัวน่อยบ่ได้เอาลูระเบิดไปทิ้นใสตายมัดเน่ตัวปูตัวหอยตัวเอีย้ยนตัวอย่างตะกี้มีเดี๋ยวนี้บม่มีน้ำก็บ่มีแระทึกจนลูกสันนันของมานยิ่เป็นยังไหนต่อไปบนนัเนี่ยเ้่ที่สุดน้าโขงมีกระปลาก็บ่มีแล้วดิน เดี๋ยวนี้ดีปุ๊บปากซอยขึ้นเพเดีเ๋ย น, นี่ออยโมล่แหน่เพราะงั้นพอหาพัฒนามันไปไวสัตเดือดร้อนเขาไว้คุณสัต้าน้ำก็เดือดร้อนสัตบกก็เดือดร้อนสัตวครึ่งน้ำคร้างบกก็เดือดร้อนเพราะงั้นบางเทีเนี่ยเขาหาไปขายคนซื้อมาเขาไป้งเขาบอกให้คนยากคนจนเขาอยากให้มันหมดไวเขาอยากได้จเงินคุณนี่เป็นอย่างนั้นเลยโมเจ้าอ่ะ มือเจ้าจบบได้เห็นเนี่ยพอบางทีใ็มีคนวอนให้ฟังบุได้เห็นด้วยตาใครเนี่ยเอาเรื่องไครเนี่ยเอาไปดองไว้เอาไปขายกินไปนหมดให้ว่ามันไปนหมดออาไปเทิ้งให้เขาเลเขาขายแพงทุกเมือ่อทุกวันเพราะยังเขาต้องการเต็มเงินท่า น, นั้นเขาจะไปต้องการมาเกเกินไปเปการ บ, บุห้ามเด้ดเดีวคัดบุมีเงินถ้าเจ็บไครได้ป่วยบุมียารักษาเด้ดไปเข้าโรงพยาบาลกับเขาจีบเอาใจใส่ แต่อยางให้ห้องหุจักรู้เท่าทันกับเหตุการณ์มีอันไรจะไปซื้อไปขายเจนหมดกระบ่กีเนี่ยโอ้โหโบพอซื้อกระบอซื้อโบพอขายกระบอขายเฉพาะกินเบี้ยงปากเรือนทองในบ้านเนีย่ยเพอว่าโบทุกเททเมืยอย่อไหร่เน่ยพ่ออย่างน้อยลงท่านาเนีพ่พอนี่ปากกรบอกเอื้อพ่อเนยพอทานเพอไป น, น้อยๆเอาใบไม้มันปลกต้นสิพผ้าไปฟันเอาเป็นโตัวมะตัวเดกกับฟันเอาตัวนั้นเท้าหอยปูบบอึด เดือนนี้เนี่ยพ่อลงมาท่านามุก้าหนหอมครับบึงมีเห็ดของนายนอกัานบนมีนมำ้ำซ้ำแต่เมื่ยอเน่ยพ่อมาบวชไหม่เจ้าหัวพัฒนากับหลวง่อศิษยเนี่ยลงไปนั่งกันลงท้าหกเดือนเนี่ยยังมีน้ำเดือนนี้บนมีนม้ำเดือนนี้นนพระโถนี่ไปไหว้ปานั้ น, <Okay. S 1> นลแล้วคัวเลวขเดือดร้อนในเขาต้องการทั้งนั้นแล้คววยู่งเย็นเป็นสุขเนี่เขาโบนุบุญจะเขาลืมนไปมัดเขาเลื่นมัด พราเขาม wow. องตั้งแต่คนเจริญไม่ได้เหลี้ยวหลังกลับในงานเนี่าเพราะว่าเลี้ยวกับจากน้อยแดงเลี้ยวบืฟ้ายเบื้องขวจากน้อยแดงจะึ้นเหลี้ยวไปในทางหน้าทั้งหมดลูกหลานเขาก็จีนเลี้ยวไปในทางหน้าถ้าหากมหัศเหลียวหลังเข้ามาหาตัวเขาให้เลี้ยวหลังบนนี้จีนเหลี้ยวหลังไปสังสีสู้เ้ยเลี้ยวเบื้งปู่ย่าตาทวดห่อให้จังไดการยู่การจินพอแม่ปู่ย่าตาทวดให้จังใดซึ่งที่พัฒนานั้นเนี่ยโคบวาดอก อย่างพบวรในการพัฒนาดีแล้วบางอย่างนะบางอย่างที่มันเลือดร้อนคืออย่พระวานี่หลให้เฮาหูวจักถ้าหากว่าคน ใ, ในเจ้าใดเขากลวากันในเ้ว่าเขาเป็นผู้บุรีอำนาจดยูเนี่ยบุแม่นกำนันคนใหญ่บ้านบุมงอย่างทางนี้เฮาเลือกคนมาเป็นผู้ปกครองเขาก็เลือกเอาคนมีสติปัญญามาเป็นผู้ปกครองเขาคันเลือกเอาคนมโ้มาปกครองเขากับ ผีได้รักษากันอย่างราวาให้ฝั่งใหญ่เธอเนี้ยผีบ้านพี่เมืองผี่พ่อผี่แม่น่ะพ่อแม่บดยดีกับผีพ่อพี่แม่จนวาพูดกับบ้านบดยดีกับผีบ้านจนวาหัวหน้าบดยดีกับผีเมืองจนวาจีวาจังไหนเขาก็พิจารณาเป็นแบบนี้ยบักผีอีผี น, าา น, น, นะนี่ยวาวกันเลยตื่น่ะเมื่อใดอย่างจีตื่นเมื่อใดอย่างจีลุก อันนี้หละปลุกคนไม่ได้ไปปลุกรอดปลุกเหลียนยไม่ได้ไปปลูกพระพุทธลบในน้อยนั้นมันโดตินอันปลุกจิตปลุกใจคนมั น, มนจิตตื่นเพื่อย่งว่าฟังธรรมะนั้นเมื่อบรเข้าใจก็ต่อต้านขัดขวางคนฟังธรรมะเข้าใจแล้วสนับสนุนคนฟังธรรมะให้จะเอาดีก็เอานอกจากนี้นนว่าดัางนั้นเนี่ยพัฒนาก้าวหน้าไปอย่างนั้นให้เห่าเข้าใจเพราะว่าทําดีไปให้ลูกทาทุกข์ไว้ให้หลาน ทำยังไงมันดียังไงมันช่วยยังไงเหาต้องพิจะะารณาถ้าเหาบุพิจารณามันจะเดือดร้อนเลยเป็นลูกเสนานเหาไปโบไมันจะเดือดร้อนจะเส้นลูกเสนาต้องไปเล่นหลอดเหาเพื่เดือดร้อนไปเดเดี๋ยวนี้เน่ยสงวนที่ดินค่อยมีเท่านั้นไรเท่านี้นไรผู้าะมีจนข้าโบมเนี่ยพ่อไปกรุงเทพโบมีที่นอนนอนเนียตามถนนของทางจะมีพุ่พ่อเหาตื้นเต้นเงินทั้งนั้นปุ๊บปรับเข้าไปหาดหลกจ้างกรุงเทพไปเป็นคนงานที่กรุงเทพ เนบินบ้านเฮานี้ให้กินบอบินบอกได้เงินมาเห็นอย่างคนไปรับจ้างทํางานกรุงเทพบอบินจากตาตังกดีบางคนแต่หันเนี่ยพอได้เน่ยพอได้ยินนี่หลายคนผมตกรถบอบินเงินแหน่พ่อเฮาเฮ่ยมันต้นเงินเท่านั้นคิดว่ามันจะดีเพิ่นวานพอแม่เพิ่นวาเนาะสิทธิ์นลึงอยู่พากน้ําอยากที่เอาคดีหานต่งตาตังมามือให้ให้ฮิบกลับเอาไว้อาจารยเพิ่นวานอันนี้มีบ้านเฮาเนี่ย สตางนึงก็เก็บดูดีเงินบาทหนึ่งก็อยู่ใดสองบาทก็อยู่ได้บ้านเฮาเมือกรุงเทพมีเงิน้อยหนึ่งอยู่บ่อใดพันหนึ่งก็อยู่บ่อใดลงเงินไปปั๊บเสียลดเงินมือหนึ่งสิบาทอยู่บ่อใดกรุงเทพอย่างน้อยมือหนึงต้องสามสิบสี่สิบาทอยู่บ้านเฮามือหนึ่งสิบาทนอยสบายกินสบายอ้าวโบเซียคอยหลอกบงมือข้าเจ้าไหนข้อผัวมูืเข้าเจ้าเอาเดือนนึงจีจักบาทมือหนึ่งจีักบาทมูอเจ้าใจข้อผัวมูอเจ้าโลกกรุงเทพเป็นจิจ่ายยังไหน ให้เฮาเข้าใจการศึกษาเราเรียนดีแล้วแต่เฮาจีบบุเข้าใจเด้โยบ้านเฮาเนี่ยออกไปนอกบ้านไปเก็บผักได้กินแล้วยะตัวเอายาไปพ่นใส่มันหลายขันยาไปพ่นใส่แต่ไม่จีบเป็นยาพิษเมืองวันมันหุ่จักเมื่อคนไปแทะจีบบุหุ่นจักมันก็ไลายก็เบียงวันไปอีกตึ้งถือว่านี่เยเนมาจอเลยด้วยโฆษณาให้มันมีคนามตลาดให้มันมีคนามรู้ให้มันมีความเข้าใจ ถาบทสลาดโบลูโบเขาใจแล้วมันจีนหนักไปทุกมือทุกวันทุกปีทุกเดือนมาเจริญนิปัสนานนี่เพื่อเจริญเคลื่อนไหวให้มันรู้สึกตัวควรรู้สึกตัวนั้นผนเอินว่าดิ น, านญาบหรือว่าตันหยากรอบรู้รรรรดินหยาเป็นว่ารู้ตันหยาเป็ว่าจับได้มันที่จัาได้พอเกิดมาจากสายเกิดมาจากพอจากแม่เลี้ยน <c oughs> พ่อแม่เขาอีกคนึ่งรู้พ่อแม่เขาอยู่อย่างไรกินอย่างไรให้อย่างไรเลือไปเลน้าคุณบนนี้มองเห็นด้เครื่องบิน เดิมีรถ จ, จักรยานบ้านบดินจําเป็นไปซื้อเข้ามาเนี่ยเดือดร้อนแล้วบ้านเนี่ยด um ิมีถ้วยจานดีๆก็เอาไปซื้อซื้อเข้ามาเนี่ยเดือดร้อนแล้วบ้านเนี่ยดิมีทรทัศน์เอาจําเป็นไปซื้อซื้อเข้ามาเดือดร้อนแล้วเดิมีวิทยุบ้านเนี่ยเป็นไปซื้อซื้อเข้ามาเดือดร้อนเป็นไม่ทั้งนั้นทง่ว่าจาเป็นต้องเอาที่ดินไปเข้าธนาคารไว้เนี่ยบ้านสดๆเอาไปเข้าธนาคารเอามาให้ยั้งเอามายักคือเขา แล้วมันพุกข์บอลลูมันสุกแล้วมูเจ้าก็ดึงดูสีหน้าสีตาเนี่ยเป็นยังไงได้เห็นเจ้าของเข้ามาจบใจขนาดใดเมื่อเขาคิดแล้วบอหรือเขได้คิดเถอะันี้ได้คิดกะอยากเอามาฟากไว้เมื่อนี้กะสีจังจังหันเมื่อกี้ไปตลาดไรเมืองเลยนี่นะครับเมื่อเมื่อเขาก็ต้องอยากเตือนกันสิ่งที่มันดีมันงามเนี่ยพ่อก็อยาเอามาฟากมาฝากไว้เพราะเป็นบ้านเกิดเมืองนอน เคยเปิดอบรมครั้งแรกกับตทีน่นี่บ้านบนุพมีเป็นบ้านแรกที่นงพ่อไปศึกษาเรื่องนี้มาเ่ยพ่อมาเปิดอบรมนี้เป็นโยมเปิดอยู่สองปีกว่าเนี่ยพ่อยพยายามพูดมากับพี่กับน้องกับพ่อกับแม่กับพักกับพวกพยายามกวนให้มันคิดมันโมคิดมันโมตื่นมั น, ม น, ม น, มนยิ่ลึก จิตใจคนนี่มันอยู่ลึกที่สุดคันไวให้ฟังมันโบแม่นดอกมึงเล่าขนาดเนี่ยเอามันาเรื่กลับไปรอเมืองตะกคนเป็นยังมันจะตายบอกมันมาแร่องกระเทงซื่อๆดีนะมันก็จะได้ดันดักได้เบาไม่อย่างน่ะเพียงเดินไปรูสึกตัวเยียบลงไปรู้สึกตัวเนี่ยเลี้ยซ้ายเลี้ยวขวาู้สึตัวนี่มันบางทีมันจะเห็นไปทางหลังคุณอ่ะเท่านั้นซื่อๆดีนะเบิ้งจิตเบิ้งใจคุณอ่ะคนมันตายเป็นทุกคนนี่นะ ตายแท้เนี่ยนะบอร์ทีบอตายเลยนะจิตตายด้วยขมทุกเนื้อไม่จิตตายด้วยขอบทุกเป็นคนอยู่นี่จิยู่ด้วยของทุกเนื้อจิตยู่ด้วยบุีทุกตายลงไปด้วยพดินก่วงปันไดเอาย่างหนากวเม็ดห้าสิบหรือสองเม็ดเท่านั้นนี่เขาจะขุดขี้ดินหให้อะเมื่อไใดมันย่างพระยอันใดมันสมควรเลยหรืออันนี้บอรไม่จีว่าไอ้เป็นคอมมอนนิสต์เบอแมนเด้เราอยู่นี่ยบอนคอมมอนิสต์เด้ให้เฮายู่เย็นเป็นสุขนี่เด้ อันคอมันเนี่ยแทนอวยเอาไปเป็นส่วนกลางหมดนั่นเนี่ยเพรากระโบเห็ดด้วยนะท่านผู้ใดดูก็ให้เขาเจ้าดูไปได้แต่ผู้ใดขี้คานคนขี้คานเอาเปรียดได้กันเข้าวมนุษย์เนี่ยเพราะถาบนนี้ขาเจ้าว่าคนใขี้านเนาะไปเห็นให้เห็ดนาแล้วก็บรรยายประเดีเอาเข้าส่วนกลางหมดผลได้สุดบ้านเหมือนเดือดรอนเนี่ยเจ้ากระโบเห้เขากระโบเห็ดม่มีคนเสียสละได้เนี่ยได้แล้วก็บริบนซื้อบนขายบนนี้มันเป็นเงินสดเอันนี้เหาได้มา มีเบอเชื้อเบื้องไผู้ดูให้เขาเจ้ารวดไปผู้คิดค้างกระจาเป็นกาทุกๆไปมันเป็นอย่างนั้นอย่างพเหตุดีอยู่อัน้โบเนีให้มีสิทธ์มีธรรมมีสิทธมีธรรม้อไว้ยังสันบอกว่ามีสิธว่ามีธรรมย่างภาว่าบมีสิธ์ว่ามีธรรมคนมีสิทธ์มีธรรมต้องอยู่เย็นเป็นสุขต้องยุตสบายกายสบายใจเพราว่าคนโบมีสิทธ่ามีธรรมไม่ได้อาให้กันยุดสู้หยุเดียนเนี่ยว่าแล้วก็ว่าอีกอย่าเ่นี่ยพอมาอย่างกสี เดี๋วนี้เนี่ยพระกับโหมคือการนั้นแล้วสร้างตึกส่องซันพุ่นนี่อยากได้เกียรติอยากได้เยอะอยากได้เสียอยาเสียอยากได้ขพรครูนี่อยากได้จะคณะตำบลอยากได้จะคณะอำเภออยากได้เกียรติไปทางนั้นอยากเป็นเส้าเบสพระสังฆราพุทธนี้สร้างทะเลพุ่นเอาคนคิดินประชมทะเลพุ่นมีเงินเป็นลานเป็นแสนแบบนี้กี่สร้างบนเพื่ออยากได้เงินทางนั้นอยากได้เืียอยากได้เสียงอยากได้อยากดังให้ว่าจะไปอยากดัง อันไม่ดัดดังพินาศจิบหายบ้านเฮาก็คือกันอยากดังอยากให้เขาว่าเจ้าขอมีเงินเถอะนี่แหละเดือดรอนไกล้ๆมาเดียวเนี่ยพ่อว่านเนี่ยเพราะไม่เห็จิตไม่เห็นใจตัวเองคันเห็จิตเห็นใจตัวเองมันจิตสบายอย่างว่าอันไม่เหตุโทนี้มันจิตตายกันมันตายลงเป็นยังเหตุโทนเหตุลงไปยังเหตุไปจักปีนี่ยเนี่ยพอไปเหตดบนบ่หึกนี่ยจ้ามเดือนมงนี่เน่ยพอไปเห็ดแบบรู้จักดีนะ รู้จักพ่อคนตั้งใจควรักควรคิดถึงหน้าที่ของเรานี่ดังนั้นอะพอจึงมั่นไว้เกิดมาเป็นคนให้รู้จักคนให้รู้จักหน้าที่ของคนและปฏิบัติหน้าที่ของคนอันนี้นเกิดเป็นคน่รู้าจักคนนี่นะแล้วมาจีบกักหน้าที่ของคนบ่แล้วมาจีบปฏิบัติหน้าที่ของคนทุบบ่คันวายเาคิโอ๊ยมึงอย่าอวดดีมึงเป็นนอ้องกูคนวะผู้เป็นอายก็ได้ผู้เป็นพ่อเป็นแม่แต่มึงมันลูกคนหลานกูคนกว่ๆๆา โอ้ลูกหลางกระทำสร้างก็เียเพราะกันว่นหลานสอนปู่ปู่สอนหลานพอ่อแม่คนเงีาคันพู่มาก้นตัววายเรเบรยักษ์สังอ่ะคนนี้มนก็ถือมานาทิฐีเสนวเมืก่กกลดจจะน้อยเ ด, ยนยดานาิน่นรถมนาทิถีเมื่อวายอย่างสิกาจิวาเรื่องเรื่องเมื่อตุดโศโพธิละอาจเ พ, พินอ้มพระกัมพีเป่าเรียงเทใไ่ติดดกนจนตกสานให้ว่าพระติโศโพธ สัทิรนี้ไปใส่แล้วผิดคนกงกเสือ้อทูกคนกงกเสือ้อโบ ก, กาโจกาเถียงบัด น, นี้ก็มีลูกศิตเป็นร้อยพันพันพุ่นเทสใส่ของกเพีอยอญาติโยมฟังกับโบ ก, กาโจกาจา่าพิดกระตันสร้างทุกกระตามเสื้อไปมดเชื่อมโบเสื้อกะโบปากต้านหานโบได้เพราะยานพระจุดโโกสะทิระนั้นพรมีผมหูมากบัด น, นี้ไปหาพระพุทธเจ้า ยี่เปืนสนทนากับพธิเจ้าพธิเจ้าคนโบยานบกหัโวโบซันสาเทืองกับไผ่ท้งมดพาจุดโศโพธิละไปแล้วก็กลบับปรับปรับมาแล้วหรือไบรันเปาสนอ้าวแม่กูต่อสารพระเตยไปดกปนนในเยาว์เออไบรันเปาให้กูนอเลยสะทานใจเลยบัดเนี้ยเนี่ยบัดเนี้ยลงไปบู้าสนทนาและเรื่องอื่นเหมือนกันเลาไปสนุกสนุกไปก็กลบับปรับปรับกลับไปห้องแต่กุติเจ้าของอ่ะกลับแล้วหรือสนกพีเปาตกใจไดบเนี่ย เมื่อแต่วาก็ว่าบาลานเป่าปัจจิกับก็เอืงกําพีเป่าให้อันนี้แหละลู่มากยากหนานลู่น้อยพอยลําคันสู้ไปลูเสียเลยมันดีกว่าใครลู่เจ๊จิตเจ๊ใจคราวนี้มันดีกว่าเป็นว่าจังสันบัดเมกับมาหันบ้านก็จะมาถามยุกติดยุกหายักเรียนกรรมฐานไปถามอาจารย์ผู้ลุกติดลูกหาเป็นพระอรหันต์ก็มีกันเยอะแย ะ, ย ะ, ย ะ, ยะอันเนี่ถามไปถามไปบนแห่งกลาส่วนจะคน จนว่าสุดท้ายเนี่เนน้อยฟุ้งเลยสิเนียน้อยจะสอนสอนให้อาจารย์ก็ะได้แต่อาจารย์ต้องหมดมานาทิถีได้สิเอ้อจีบหมดไทยเนียนมดมานาทิถีจีบบุตรอย่างบุตรอย่างแท้ๆบอกบอกครับเออบ่เนียนเนี่ยแต่บุับเนี่ยเพราะว่าลูกเมื่อกี้นี่ยของลูกจิตเนี่ยบุตรเนีนเนี่ยแต่มาแตเนียบอกว่าอาจารย์จะทำกับเนนทุกอย่างเออเอามือนาคิสอนนะสิมือนาคศรนี่แหละมันก็เตรียมตัวมานะครับ ห้มจีวรสังขามาเรียบร้อยนะสันนากุติกัจจินันคือยังแต่เหาอยู่เนี่ยเป็นนามเป็นตมเป็นเลนนะะเอา้าพวกกุติเลือดเอ้าสอนเลนสอนกรรมาานให้อาจารย์นะเอามืมนลงไปทั้งทานนะ้าเน่ะลงไปตมะนั่นครับลงไปแล้วบ่นี้ลงไปแล้ ว, ลล ว, ลลวพระมุจเปียกตั้งแต่ตนเป็นเลนนะอาจิญก็ได้ครับเอาไว้เจิญเอ้ า, า, อาว่ากูจิเมดมะานาัธิถีแล้บอกว่ากูจิโบถืออย่างไรนั่นเมนบอกกูเนี่ยนับคําะเอาจำเป็น ลงไปแล้วก็เปียกแ ล, แล้วบันพอเลาได้เน้นนะเบยักลงได้บบบนี้บยพอเท้าข้าบล ง, ลงไปลงไปพอเลยได้เน้นนนะเบยพอเท้าลงไปไปจนน้ำเพียงหอมเปียกมดเสื้อผ้าเปียกมื ด, เ, เ, มดเป็นจน่มเป็นเลยเน้นบอกให้ลงจําเป็นต้องหมดมาอาทิตย์แบกนั้นยาไปถือมาอาทิตย์คนได้ถือมาอาทิตย์อยู่บยมีโอกาสบยมีวันบยมีเวลาเพราะบย์ักตัวเองบย์ักหน้าที่บย์ักคำพูดตัวเองคนวัน พอดีกลับขึ้นมาแล้วก็อาวเนรสอนกรรมฐานให้ดีๆด้วยยังว่าสอนเดียรครับไปผัดเสื้อผัดผ้าดีๆสัก่อนจะไปได้เหตุได้เนี่ยคิดออกซื่อได้ตอนนี้ก็เลยไปผัดเสื้อผัดผ้ามาแล้วอาเมนร้อนเยนยะอ้าวอาจารย์เน่ยมีจุมโพลจุ ม, มึือมาสัน้นมีหูอ ย, ยู่หกลูแล้วมีเฮี้ยอยู่ไหนตัวเดียวที่ทำยังไงอาจารย์ยังจะจับเห็นโอ้ยเมนมันบยยากหน่อยอาจารย์ผู้เรียนแตกสานแล้วในพระไตรปิฎก เลี้ยงจบแล้วไปเลยแต่หักบุญเขจักวิธีเขาว่าโง่เพราะเหลี่ยนมากงากนานสบายซู้บปเลี่ยนจากน้อยก็ไ ด, ได้เลยให้จำได้สอาจารย์เนี่ยอา้าก็อุดห้าหูนะบ้านห่าเหรือว่าตันตันก็่ว่ห้าหูนะจงไวหูเดียวเท้งนั้นเพื่อจะเอามาหาจะกคอนป๊กในหัวนันก็จับออกก็ได้สิอันนี้ก็คือกันครับบทต้องรักษาดตาหูจมูกเลี้ยกายหมนรักษาใจบ้านเดียวเลย ย่งว่าให้ดูใจให้ดูใจให้ดูใจเลยไงมันบ่ดูจากเทวดาใจมึงวัดเฮ็ดตังใดเฮ็ดไปตามใจทั้งหมดเป็นอันว่าบ่ดูใจตัวเองทําผิดพูดผิดคิดผิดเพราะบ่ดูใจตัวเองทำผู้พูดผู้คิดผูกเพราะดูใจตัวเองเพื่นว่าดังว่นใจไี่เป็นหัวหน้าใจถึงก้อนการทําก็ต้องหลักการหลักงานถึงเวลาก็ต้องเฮ็ดต้องทํา ห้าห้าเขาหลักงานหลักงานอยู่นะยเลโบเลื่อวิสัย พ, พระพุทธเจ้าส อ, อ, อนพระดีอุมคุณโบได้ไปสอนพระอรหันต์บอกให้เข้าใจจังสารเอาละที่เนี่ยพอไว้ายฟังมิลกาที่มาสมควรทีเวลาแล้วท้ายที่สุดนี้อาตมาพรอเมื่อพระสงฆ์ในญาติโยมมานั่งฟังธรรมะอยู่ณสถานที่นี้อาตมาขออ้างเองเอาคุณของพระพุทธเจ้าและพระธรรมคาสังสอนขององค์สมีพระธรรมารสมรสมารสมพุทธเจ้า แลกคุณของพระอนาคาสาวกพระสมาสมพระเจตือนจิตสกิจใจของพวกเราบทสุดท้ายระยักตัวอีตัเธอหนึ่งพระพุทธเจ้าแต่ว่าสัตว์ทั้งหลายเราผู้เป็นตถาคตไปถึงแล้วแห่งนั้นแล้วจึงนํามาสอนพวกเธอทั้งหลายให้พวกเธอทั้งหลายจงประพฤติปฏิบัติตามอย่างเราตถาคตนี้ก็จะรู้จะเห็นจะเป็นจะมีอย่างเราตถาคตนี้ดังนั้นให้พวกเราลักการลักงานลักหน้าที่ของคน หลักหน้าที่ของมนุษย์หลักหน้าที่ควรเป็นพระเดียบุคคลไว้หลักต้องปฏิบัติตามเพิ่งสอนละต้องเสื้อสังยนันเรียนสอนอาจารย์นั่นแหละขอให้พวกเราทุกคนทุกคนจงประสบพบเห็นเอาในเสิีนี้จงทุกทุกคนเธ อ, อ